วันนี้เป็นวันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นวันที่ท่านสาธาชนพุทธบ ร, ริษัทผู้ฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษา เขาทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการเสริมศรัท ธ, ธาภาษาทวิริยะสติสมาธิและปัญญาให้มีความเข้มข้นมากขึ้นไปตามลำดับเพื่อที่จะได้ใช้กำจัดกิเลสตัณหาโมหะวิชาและความทุกข์ต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากใจธรรมะวันนี้ที่เราจะฟังกันก็คือเรื่องส่วนประกอบของชีวิตชีวิตของพวกเราทุกคนมีอะไรเป็นส่วนประกอบส่วนประกอบของชีวิตก็มีอยู่สองส่วนด้วยกันคือหนึ่งคือร่างกายสองจิตใจ สองส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญเป็นส่วนประกอบทำให้มีชีวิตขึ้นมาได้ร่างกายนี้ก็เป็นส่วนที่ทำมาจากธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเมื่อมาผสมกันมารวมกัน ก็ทำให้เกิดมีอาการสาสองของร่างกายขึ้นมามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามมีหัวใจมีปอดมีตับมีไตมีลำไส้มีเยื่อในสมองศีรษะมีอาหารใหม่อาหารเก่า มีน้ำดีน้ำเสเลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ามันเหลว อ, อาการสามสิบสองนี้เป็นผลที่เกิดจากการรวมตัวของธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟร่างกายนี้ไม่มีตัวตนเป็นธาตุเฉย ไม่มีตัวเราของเราอยู่ในร่างกายนี้เป็นธาตุที่มารวมตัวกันแล้ววันหนึ่งก็จะต้องมีแยกทางกันไปพอเกิดการแยกทางไปของธาตุทั้งสี่ร่างกายนี้ก็ดับไปหมดไปส่วน ใจที่เป็นส่วนที่สองของส่วนผสมของชีวิตส่วนประกอบของชีวิตนี้เป็นธาตุรู้เป็นธาตุรู้ที่ไม่มีการผสมปรุงแต่งกับธาตุอื่นเป็นธาตุรู้ที่ไม่มีการเจริญไม่มีการเสรื่อมไม่มีการเกิดไม่มีการดับเป็นของที่เป็นอยู่และมีอยู่ไปตลอด ส่วนร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวเมื่อมีการผสมกันของท่าทั้งสี่ก็จะปรากฏเป็นร่างกายขึ้นมาแล้วพอถึงเวลาที่ร่างที่ท่าทั้งสี่จะแยกกันออกไปร่างกายก็จะเริ่มเสื่อมลงไปร่างกายก็จะกลายเป็นคนแก่กลายเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วก็กลายเป็นคนตายไปแต่ร่างกายนี้ไม่มีตัวตนไม่มีใครอยู่ในร่างกายเป็นเพียงแต่ธาตุสีเท่านั้นเองที่มารวมตัวกันคำว่าธาตุมันก็บอกแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวตนธาตุเป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ธาตุดินธ า, าตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี้มีอยู่ รอบตัวเราลมที่เราหายใจเข้าก็เรียกว่าธาตุลมน้ําที่เราดื่มเข้าไปก็เรียกว่าธาตุน้ําอาหารที่เรากินเข้าไปส่วนใหญ่ก็เป็นธาตุดินเช่นข้าวหรือผักข้าวก็ทํามาจากดินผักก็ทํามาจากดินแล้วก็ธาตุไฟก็คือความรู้ความร้อน ที่เราได้รับจากแสงอาทิตย์เมื่อมีธาตุทั้งสี่ครบถ้วนตามความต้องการของการก่อร่างสร้างตัวของร่างกายร่างกายก็จะปรากฏขึ้นมาในขณะที่อยู่ในท้องแม่และในช่วงนั้นตอนที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวของร่างกาย ใจก็จะมาครอบครองร่างกายนี้ใจนี้เป็นธาตุรู้ใจมีความรู้มีความสามารถที่จะมีความรู้สึกนึกคิดและมีความสามารถที่จะส่งกระแสของใจที่เรียกว่าวิญญาณมาเกาะที่ร่างกายที่อยู่ในท้องแม่ได้ ใจมาครอบครองร่างกายนี้เพราะใจมีความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกดลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆใจจึงจำเป็นที่จะต้องมีร่างกายเพราะร่างกายนี้มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายไว้สำหรับรับรูปเสียงกดลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆ ใจมีความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆก็เลยต้องมาครอบครองร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะถ้าไม่มีร่างกายก็จะไม่สามารถเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆได้นี่คือความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างร่างกายกับใจ ที่เป็นส่วนประกอบของชีวิตของพวกเราร่างกายนี้ไม่มีตัวตนเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟใจก็ไม่มีตัวตนใจก็เป็นธาตรู้ที่มีความสามารถที่จะมีความรู้สึกนึกคิดต่างๆสามารถครอบครองร่างกายได้ด้วยการเชื่อมด้วยการส่งกระแสวิญญาณมายึด อยู่ที่ตาหูจมูกวิญญาณกายของร่างกายแล้วก็ใช้ให้ร่างกายทำอะไรต่างๆผ่านกระแสะความคิดใจคิดอยากจะให้ร่างกายพาไปไหนก็สั่งร่างกายพาไปเช่นวันนี้ก็คิดสั่งให้ร่างกายมาวัดใจนี้เป็นผู้สั่ง ร่างกายนี้ไม่สามารถสั่งตัวเองได้ไม่มีความสามารถมีแต่ความสามารถที่จะรับคำสั่งจากใจพอใจสั่งให้มาวัดพอถึงเวลาก็ออกเดินทางมาแล้วก็มารับรูปเสียงกลิ่นรสที่วัดเช่นวันนี้อยากจะมาฟังเสียงธรรมก็มานั่ง เฉยๆแล้วก็เอาหูฟังตั้งใจฟังเสียงที่เข้ามาทางหูเมื่อเสียงเข้าไปที่หูแล้วเสียงก็จะถูกวิญญาณรับส่งไปที่ใจอีกทีหนึง่งแล้วใจก็เป็นผู้ที่จะวิเคราะห์เสียงว่าเป็นเสียงอะไรก็วิเคราะห์ไปว่าเป็นเสียงธรรมะเป็นเสียงที่บอกเรื่องความ ความจริงที่เกี่ยวกับชีวิตคือส่วนประกอบของชีวิตว่ามีอะไรบ้างเอาเสียงเข้าไปในใจใจก็ฟังฟังแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นมาเสียงแห่งธรรมนี้เป็นเสียงของความจริงที่จะเข้าไปสอนใจให้หายจากความหลง ความไม่รู้ความจริงใจนี้ไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นใจแล้วใจก็คิดว่าตนเองเป็นตัวตน응เวลาคิดอะไรก็คิดว่าตัวคิดเวลาสัมผัสรับรู้อะไรก็คิดว่าเป็นตัวรู้응แต่ความจริงมันไม่ใช่ตัวรู้ตัวคิดมันเป็นแค่ความคิดความรู้ที่เกิดขึ้นในใจ ท่า น, นั้นเอง mm hmm. ใจก็ไม่มีตัวตนร่างกายก็ไม่มีตัวตน mm hmm. แต่มาเพราะความหลงของใจใจไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวตนเป็นตนเป็นเป็นของเป็นของใจ mm hmm. เวลาที่ร่างกายออกมาจากท้องแม่แล้ว mm hmm. ใจก็ใช้ร่างกาย ให้ไปทําอะไรตามความอยากต่างๆของใจแต่ร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของที่จะต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปแต่ใจผู้ที่ใช้ร่างกายนี้เป็นของถาวรเป็นของที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปกับร่างกายพอถึงเวลาที่ร่างกายนี้ตายไป จากสลายแยกจากกันไปธาตุสีที่มารวมตัวกันแยกจากแยกจากกันไปร่างกายนี้ก็หายไป<ม>เหลือแต่ใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่เป็นใจที่ยังมีความอยากอยู่ในใจใจที่ยังมีความอยากอยู่ในใจก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ม เรียกว่าไปเกิดใหม่นะก่อนที่จะได้ไปเกิดใหม่ก็ต้องผ่านการไปเกิดในสวรรค์หรือในในอบายก่อนขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่ได้ทําไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ว่าทําอะไรมากกว่ากันถ้าทําบุญมากกว่าทําบาป บุญก็จะดึงให้ใจไปอยู่ในสวรรค์ก่อนถ้าบาปมีมากกว่าบุญบาปก็จะดึงใจให้ไปอยู่ในอบายอบายก็มีอยู่สี่ชนิดด้วยกันคือเดราชฉานเปรตอสุรกายและนรก mm hmm. ต้องไปใช้บาปให้หมดก่อน จนบาปไม่มีกำลังที่จะดึงใจให้ไปอยู่ในอบายไดใจก็จะมารอรับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่แล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาส<ม>พอมีได้จังหวะได้โอกาสพอมีการผสมพันกันระหว่างพ่อกับแม่ก็จะเกิดตัวขึ้นมา ต, ตัวร่างกายอันใหม่ขึ้นมาในท้องแม่ ช่วงนั้นใจที่รอรับร่างกายก็จะส่งกระแสวิญญาณไปเกาะที่ร่างกายอันนั้น<ม>ไปครอบครองร่างกายอันนั้นทันที<ม>นี่คือเรื่องราวของชีวิตของพวกเราทุกคนเป็นแบบนี้และเป็นแบบนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานร่างกายที่พวกเรามีอยู่ขณะนี้ ไม่ได้เป็นเพียงร่างกายเดียวที่เรามีกันเราเคยมีร่างกายแบบนี้มาไม่รู้กี่แสนล้านร่างกายแนละ้วเราเปลี่ยนร่างกายมาเรื่อยๆเพราะว่าร่างกายที่เราได้มาแต่ละครั้งนี้มันมีอายุไม่เกินร้อยปีเป็นส่วนใหญ่อยู่ได้ถึงร้อยปีร่างกายนี้ก็ต้องสลายไปกับคืนสู่ธาตุสี รือธาตุดินธาต้น้ำธาตุลมธาตุไฟไปแต่สิ่งที่ไม่ได้สลายไปกับร่างกายก็คือความอยากที่มีอยู่ในใจความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพ์ชนิดต่างๆความอยากนี้จะไม่มีวันหายไปถ้าไม่ รู้จักวิธีกําจัดมันหยุดมันก็จะไปหาร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะสิ่งที่ได้จากการเสพคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพานี้มันไม่ได้ให้ความอิ่มความพอมันไม่สามารถมาทําให้ความอยากต่างๆหมดสิ้นไปได้พอได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะ แล้วก็มีความสุขชั่วคราวแล้วสักพักหนึ่งความสุขที่ได้จากการเสบรูปเสียงกิดลดโผล่ตะพะก็จางหายไปความอยากที่จะเสบรูปเสียงกิดลดก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่มันก็จะโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆโผล่โผล่จากในใจของเรานี่โผล่ในใจโผล่ในธาตุรูน้นี่อยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเสบมากน้อยเท่าไหร่ ไม่ว่าจะมาเกิดมามีร่างกายกี่แสนล้านล่างก็ต่างความอิ่มก็ยังไม่เกิดภายในใจที่จะมาทําให้ความอยากต่างๆนี่หายไปหมดได้ความอยากตัวนี้แหละที่ทําให้ใจต้องมามีร่างกายมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆเราเรียกว่าการมตัตหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆ แล้วก็ความอยากมีความความอยากได้ลาบยศสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่เรียกว่าภาวะตัณหาเช่นอยากร่ำรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากให้คนยกย่องสรรเสริญเยืนยออันนี้เรียกว่าภาวะตัณหาที่มากับกามาตัณหา ความอยากเสพรูปเสียงกลิธธธธก่นรสโผพัชชนิดต่างๆแล้วก็ความอยากอีกอย่างเรียก ว, วิภวตัหาความอยากไม่ให้าลาภยศสรรเสริญเสื่อมจากเราไปคืออยากจะรวยไปเรื่อยๆอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตไปเรื่อยๆอยากให้คนยกย่องสรรเสริญอยู่เรื่อยๆไม่อยากให้ยากจนไม่อยากให้ กลายเป็นคนไม่มียศไม่มีตำแหน่งไม่อยากให้คนคอรหานินทาตำนิติเตียนนี่คือความอยากสามตัวในใจของพวกเราทุกคนที่มาเกิดตอนนี้ที่จะพาให้เราต้องมาดิ้นรนหาสิ่งต่างๆตามความอยากพอเวลาเกิดความอยากแล้ว ถ้าไม่ได้เสพสิ่งที่อยากได้ก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดคนติดยาเสพติดนี้จะต้องคอยหายาเสพติดมาเสพอยู่เรื่อย เ, รอยเพราะเวลาใดาที่ไม่ได้เสพยาเสพติดแล้วจะรู้สึกงดหิดรู้สึกอึดอัดรู้สึกลำคาญไม่มีความสุข จะมีความสุขก็ต้องได้เสพยาเสพติดอยาเสพติดมันก็ให้ความสุขแบบชั่วคราวพอมันฤิดของยามันหมดไปก็ต้องเสพใหม่เด้เลยแล้วถ้าเวลาใดไม่สามารถหายาเสพติดมาเสพได้หรือเวลาที่ร่างกายไม่มีความสามารถที่จะเสพได้เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาจะตายนี่ เวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอย่างยิ่งนี่คือปัญหาของชีวิตของพวกเราทุกคนที่เกิดจากความอยากต่างๆที่มีในใจความอยากสามประการด้วยกันคืออยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลิตัณอยากได้ลาบยศสารเสริมและอยากให้ลาบยศสรเสริมนี้อยู่กับเราไปเรื่อย ไม่อยากให้มันเสื่อมไม่ให้อยากให้มันหมดไปจากเราแต่เวลาใดที่มันไม่ได้เป็นไปตามความอยากของเราเวลานั้นเราก็จะต้องเจอกับความทุกข์กัน mm hmm. เช่นเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือร่างกายตายใจเราจะทุกข์มากเพราะใจเราไม่สามารถใช้ร่างกาย เป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสพุพธะชนิดต่างๆได้ยังไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีความอยากตายกันจึงทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาที่เจอความแก่เจอความเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาเจอความตายกันแต่ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะถ้ามาเกิดแล้วก็จะต้องมีความแก่ตามามามีความเจ็บไข้ได้ป่วยตามามาและมีความตายตามามาเสมอ <S 1> <S 1> ถ้าไม่อยากจะเจอกับความแก่ความเจ็บความตาย <S <S ก็จะต้องไม่กลับมาเกิดอีกเท่านั้นเอง และการที่จะไม่กลับมาเกิดได้ก็ต้องหยุดเหตุที่พาให้มาเกิดอยู่เรื่อยๆเหตุที่พาให้มาเกิดอยู่เรื่อยๆก็คือความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสการวัตันหาภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นและวิภาวะวัตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเป็นต้น การที่จะละตัณหาทั้งสามได้นี้จำเป็นจะต้องมีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนบอกวิธีเพราะว่าพวกเราทุกคนนี้ไม่มีความสามารถพอที่จะรู้วิธีหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราได้ เราต้องรอมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสอนหรือมีพระอริยสงสารุที่จะคอยสอนคอยบอกวิธีหยุดความอยากต่างๆที่มีในใจของพวกเราเนี้ให้หมดสิ้นไปจากใจได้ถ้าเราไม่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีพระพุทธศาสนา เราก็จะไม่รู้วิธีเราจะไม่รู้เสียด้วยซ้ำไปว่าอะไรพาให้เราต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆและหลังจากที่เราตายไปแล้วเราจะไปไหนต่อเราก็จะไม่รู้กันเราจะมารู้ความจริงของใจของเราได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาเจอกับพระพุทธศาสนา มาได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้นำเอาคําสอนของพระพุทธเจ้านี้มากําจัดความอยากต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปเพื่อีใจของเราจะได้ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆต่อไป การไม่ได้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายของใจก็ไม่ได้ทำให้ใจหายไปไหนใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมใจก็อยู่เป็นธาตุรู้เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นธาตุรู้ที่ไม่มีความทุกข์อยู่ในใจเลยเพราะเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ทให้ธาตุรู้ทุกนี้คือความอยากต่างๆได้รับกาจัดจากคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ใจก็จะอยู่แบบไม่มีความทุกข์ไปตลอดเพราะใจจะไม่มีร่างกายอีกต่อไปเพราะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขเพราะใจตัดความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพลาได้ตัดความอยากมีอยากเป็นได้ตัดความอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้ ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเหล่านี้ก็จะหายไปทําให้ใจที่ไม่มีความอยากนี้กลายเป็นใจที่เต็มไปด้วยความสุขไปตลอดเมื่อมีความสุขในตัวของตัวเองก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปหาความสุขจากที่อื่นไม่ต้องไปหาความสุขจากโลกนี้ที่เรามาเกิดกันเพราะเรามีความสุขที่ดีกว่าความสุข ที่เราได้จากการมาเกิดกันความสุขที่เราได้ในขณะนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวชั่วประเดียวประเดาวเวลาที่เราได้ไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเราก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่พอเรากลับมาบ้านความสุขที่ได้มาก็จางหายไปแล้วก็ปล่อยให้เรารู้สึกมีความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายว้าเหวเศร้าส้อยเหงา ทำให้เราอยากที่จะต้องออกไปหาความสุขกันอยู่เรื่อยๆแต่วันใดวันหนึ่งร่างกายที่เป็นเครื่องมือในการพาเราไปหาความสุขต่างๆนี้มันอาจจะไม่สามารถทำหน้าที่ของมันได้เช<ม>่นเวลามันแก่มากๆกำลังวังชาไม่ค่อยมีจะไปไหนมาไหนมันก็ยากลาบากมันก็จะไม่สามารถพาเราไปหาความสุข อยากสิ่งต่างๆได้นอกจากหาความสุขไม่ได้แล้วยังหายังสร้างความทุกข์ให้กับเราด้วยเพราะร่างกายเมื่อแก่มันก็จะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้จะขับเคลื่อนไว้ก็รู้สึกยากลำบากและยิ่งถ้าเกิดเจอโรคภัยไข้เจ็บยิ่งมีความเจ็บปวดในร่างกายชวนต่างๆเพิ่มมากขึ้นไปอีก เวลานั้นก็แทบจะหาความสุขไม่ได้เลยมีแต่ความทุกข์รุมเร้าอยู่ตลอดเวลาจนถึงวันสุดท้ายวันสิ้นสุดของชีวิตเมื่อร่างกายหมดลมหายใจใจก็จะแยกออกจากร่างกายไปร่างกายก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปส่วนใจนี้ก็ไปต่อ ไปตามกำลังของบุญของบาปก่อนพอร่างกายตายไปปั๊บนี่ใจจะถูกบุญและบาปมาเป็นผู้ควบคุมทันทีใจนี้เป็นเหมือนนักโทษของบุญและของบาปพอใจดูดออกจากร่างกายมาบุญและบาปก็จะมาดึงใจไปขึ้น อ, อยู่กับว่าบุญหรือ บ, บาปมีกำลังมากกว่ากัน ถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็ดึงไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆที่เกิดจากการทำบุญทำความดีต่างๆคุณก็คือการกระทำความดีการทำให้มีความสุขกับผู้อื่นการช่วยบรช่วยเหลือผู้อื่นบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับผู้อื่นให้ความสุขแก่ผู้อื่นนี่เรียกว่าบุญ ส่วนบาปก็คือการทำให้ผู้อื่นทุกข์เดือดร้อนเสียหายเจ็บปวด mm hmm. การทำบาปคือสร้างความทุกข์ให้กับผู้น mm hmm. เมื่อทำไปแล้วมันจะสะสมอยู่ในใจบุญกับบาปนี้จะสะสมอยู่ในใจไปเรื่อยๆยังไม่สามารถออกมาทำสแสดงผลได้รอไปจนตอนที่ร่างกายนี้ตายไป เอาร่างกายตายไปบุญและบาปนี้ก็จะออกมาแสดงผลทันทีจะมาดึงใจให้ไปทางใดทางหนึ่งถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็ดึงไปสวรรค์ถ้าบาปมีมากกว่าบุญบาปก็ดึงไปอบายให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างถ้าทำบาปด้วยความหลงก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ถ้าทำบาปด้วยความโลภก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่เรียกว่าเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะเป็นดวงวิญญาณที่เรียกว่าสุลกายถ้าทำบาปด้วยความมาฆาาพยาบาทจองเวรจองกรรมก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่เรียกว่านรกถูกไฟนรกของความมาฆาาพยาบาทเผาผลาญจิตใจถ้าเป็นเปรตก็จะถูกไฟของความโลภเผาผลาญจิตใจ ถ้าเป็นหนักสุรกายก็จะถูกไฟของความกลัวเผาผลาญจิตใจถ้าเป็นเดรัจฉานก็จะถูกความหลงเผาผลาญจิตใจทำให้ต้องคอยทำบาปอยู่เรื่อยเพื่อรักษาชีวิตของตนเพื่อเพื่อการครองชีพของตนอ น, นี่คือที่ไปหลังจากที่แยกแยกจากร่างกายไปแล้วใจนี่ สามารถไปสูงได้หรือไปต่ำได้บุญพาให้ไปสูงไปสวรรค์ชั้นต่างๆบาปจะดึงให้ไปต่ำให้ไปเกิดในอบายอบายนี้จะมีแต่ความทุกข์มากกว่าความสุขส่วนสวรรค์นี้จะมีความสุขมากกว่าความทุกข์ถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นภพที่มีประมาณความสุขกับความทุกข์พอๆกันสุกห้าสิบสุขห้าสิบสลับกันไปสลับกันมา อันนี้คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับใจของพวกเราทุกคนและร่างกายของพวกเราพอร่างกายของเราหยุดลมหายใจหายใจเมื่อไหร่การติดต่อระหว่างร่างกายกับใจก็สิ้นสุดลงใจนี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายของพวกเราใจอยู่อีกโลกหนึ่งอยู่เรียกว่าโลกทิพย์ส่วนร่างกายนี้อยู่ในโลก โลกกับธาตุโลกที่เราอยู่นี่โลกที่ร่างกายอยู่นี่เป็นโลกกับธาตุเพราะว่ามีแต่ธาตุเต็มไม่หมดทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นจากธาตุสีหรือไม่เะนั้นก็เป็นธาตุโดยล้วนๆเช่นต้นไม้นี้ก็เป็นการประกอบของธาตุสีต้นไม้จะขึ้นมาได้จะเกิดขึ้นมาได้ต้องมีดิน ต้องมีน้ําต้องมีอากาศคือลมแล้วก็ต้องมีอุณหภูมิคือความร้อนพอประมาณจึงทําให้ต้นไม้ต่างๆต้นไม้ผักต่างๆชนิดต่างๆขึ้นดอกไม้ต่างๆนี้ปรากฏขึ้นมาได้ร่างกายก็เหมือนกันร่างกายของมนุษย์ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก็ต้องมีธาตุสีมารวมกันนี่เราจึงเรียกโลกนี้ว่าโลกธาตุโลกของร่างกายนี้เรียกว่าโลกธาตุ มีแต่ธาตุแล้วก็ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลคาว่าบุคคลหรือสัตว์นี้เป็นสิ่งที่เราสมมติกันขึ้นมาแยกแยะ ก, กันไปแยกแยะว่าถ้าเป็นเดรัจฉานเราก็เรียกว่าเป็นเดรัจฉานถ้าเป็นคนเราก็เรียกว่าเป็นคนแต่ความจริงเป็นธาตุสี่เหมือนกันร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก็มีธาตุสี่เป็นส่วนประกอบ ร่างกายของมนุษย์ก็มีธาตุสี่เป็นส่วนประกอบแล้วก็เป็นการผสมปรุงแต่งเป็นการรวมตัวกันอยู่เพียงชั่วคราวไม่ยั่งยืนถาวรไม่มีร่างกายของใครในโลกนี้ที่จะอยู่ไปได้อย่า ง, ย, างยั่งยืนถาวรวันใดวันหนึ่งก็จะต้องสิ้นสุดลงธาตุที่มารวมตัวกันก็จะแยกออกจากกันไป นี่คือเรื่องราวของชีวิตของเราที่ตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ตรงไหนปัญหาก็อยู่ที่ตรงที่เรายังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆหรือเปล่าถ้าเรายังมีความอยากอยู่ถ้าเรายังมีความทุกข์ที่เกิดจากความอยากอยู่เช่นอย่างไม่แก่อย่างไม่เจ็บอย่างไม่ตายก็แสดงว่าเรายัางมีปัญหาอยู่ ถ้าเราอยากจะไม่มีปัญหาเราก็จะต้องมากำจัดความทุกข์ของใจเราให้หมดสิ้นไปจากใจกำจัดความอยากต่างๆที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราให้มันหมดสิ้นไปจากใจถ้าเรายังไม่สามารถกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราได้ความอยากเหล่านี้มันจะคอยมาสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราอยู่เรื่อย ไปทุกภพทุกชาติตายจากภพนี้ก็ไปเกิดใหม่ความอยากก็ไม่ได้หมดไปจะตายแบบไหนก็ไม่ได้ทำให้ความอยากหายไปจะตายเพราะฆ่าตัวตายมันก็ไม่ได้ทำให้ความอยากหายไปจะตายเพราะเพราะเป็นการตายแบบธรรมชาติมันก็ไม่ได้ทำให้ความอยากหายไปได้ความอยากก็ยังจะมีอยู่ในใจ แล้วก็จะเป็นตัวส่งให้ใจไปหาร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆอการที่เราจะไม่กลับมาเกิดได้การที่เราจะไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องเจอควา ม, วามทุกข์ต่างๆของร่างกายนี้ได้เราก็ต้องหยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจา ก, กรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้ า, าการที่เรา ถ้าเรายังไม่สามารถหยุดการกลับมาเกิดได้เวลาเราตายไปถ้าเราไม่อยากจะไปเกิดที่ต่ําไปเกิดที่มีแต่ความทุกข์คือไปเกิดในอบายเราก็สามารถป้องกันได้ถ้าเราอยากที่จะไปอยู่ในสวรรค์หลังจากที่เราตายไปแล้วเราก็สามารถทําได้เรามีทางเลือกอยู่สามทางด้วยกันถ้าเรามา ศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าไม่อยากจะไปเกิดในอบาย<ม>ก็<ม>ให้ละการกระทำบาปทั้งปวง<ม>ถ้าอยากจะไปสวรรค์ชั้นต่างๆ<ม>ก็ให้ทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าอยากจะไปนิพพานคือไม่อยากจะกลับมาเกิดเปลี่ยนว่าตายเกิดอีกต่อไป<ม>ก็ต้องไปปฏิบัติธรรม ไปอยู่แบบนักบวชไปเป็นนักบวชแล้วก็จะสามารถสร้างธรรมะที่จะสามารถมาหยุดความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากพระพุทธศาสนาคือวิธีแก้ปัญหาสามสามทางด้วยกันถ้าเราคิดว่าเรายังไม่สามารถที่จะ ไปบวชได้ไปหยุดความอยากเพื่อจะที่เราจะได้ไม่กลับมาเวียนไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเรายัางต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เราสามารถที่จะเลือกเวียนว่ายตายเกิดในสวรรค์ที่เรียกว่าสุขติหรือในอบายที่เรียกว่าทุกติได้อยู่ถ้าเราไม่อยากจะไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกติเราก็ต้องละการกระทำบาปด้วยการถือศีลห้า ถ้าเราถือศีลห้าได้รักษาศีลห้าเราไม่ทำบาปเช่นไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่ประพฤติผิดในการมไม่ไม่ดื่มไม่พูดปดและไม่ดื่มสุรายาเมาถ้าเราสามารถรักษาศีลห้าไม่ทำบาปได้ เราก็จะไม่มีบาปที่จะดึงใจเราให้ไปในอบายไปเกิดในอบายเวลาที่ร่างกายเราตายไปแล้วแต่เรายังจะไม่ได้ไปสวรรค์การไม่ทำบาปนี้เพียงแต่ห้ามไม่ให้ใจเราไปไ ป, ไปเกิดในอบายถ้าสมมุติว่าเราเพียงแต่รักษาศีลอย่างเดียวแต่ไม่ได้มีโอกาสได้ทำบุญทําทานเลยตายไปเราจะไม่ได้ไปสวรรค์แต่เราจะไม่ได้ไปอบาย เราก็จะกลับมารอเกิดเป็นมนุษย์เลยแต่ถ้าเราได้ทําบุญอยู่เรื่อยๆทําบุญทําทานอยู่เรื่อยๆช่วยเหลือคนอื่นอยู่เรื่อยๆทําให้คนอื่นมีความสุขอยู่เรื่อยๆก็ตายไปเราก็จะมีบุญดึงให้เราไปอยู่ในสวรรค์การไปอยู่ในสวรรค์นี่ดีกว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะการอยู่ในสวรรค์นี่มีความสุขมากกว่าการเป็นมนุษย์นั่นเอง ถ้าเปรียบเทียบการเป็นมนุษย์ก็เหมือนกับคนที่ต้องอยู่ทำมาหากินทำงานทำการอยู่เรื่อยๆไม่มีวันหยุดไม่มีวันวันไปเที่ยวไหนเลยส่วนคนที่ได้ไปเที่ยวนี่ก็เหมือนคนที่ไปสวรรค์นี้ก็เหมือนกับคนที่ได้มีวันหยุดมีวันไปเที่ยวกันสวรรค์ดีกว่าภพของมนุษย์เพราะว่าภพของมนุษย์นี่มันเป็นภพที่เรายังต้องต่อสู้ดิ้นรน กัการเลี้ยงปากเลี้ยงทองหาเงินหาทองมาดูแลร่างกายอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเวลาเรามีเงินเหลือเฟือไม่ต้องทํางานทําการเราก็สามารถเอาเงินที่เหลือนี้ไปเที่ยวได้การไปเที่ยวนี้ก็คือการไปสวรรค์ถ้าเราตายไปแล้วเราอยากจะไปเที่ยวก่อนที่เราจะกลับมาเป็นมนุษย์มาทํางานมาตรมาต้องมาต่อสู้กับ การดิ้นรนในการเลี้ยงดูแลร่างกายของมนุษย์การมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นของที่จะมีแต่ความสุขอย่างเดียว ม, มนุษย์นี้ก็มีเรื่องของความทุกข์อยู่เยอะแยะไปหมดตั้งแต่ออกจากท้องแม่มาก็เริ่มทุกข์แล้วเพราะพอออกจากท้องแม่มาก็ต้องเริ่มหายใจเองนะถ้าไม่หายใจเองก็ร่างกายก็จะตายได้อตอนที่อยู่ในร่างกายอยู่ในท้องแม่ยางสบายไม่ต้องหาอะไรกินไม่ต้อง ไม่ต้องหายใจเองแต่พอออกจากท้องแม่มาปั๊บนี้ต้องหายต้องหายใจเองนล้ต้องหาอะไรกินหาอะไรดื่มเองนะถ้ายังหายยังหาเองไม่ได้ก็ต้องร้องขอให้พ่อแม่ช่วยหายให้ก่อนเช่นเวลาหิวน้ำก็ร้องเวลาหิวข้าวก็ร้องเวลาปวดขับถ่ายก็ร้องการร้องนี่ก็แสดงว่ามันเป็นเรื่องของความทุกข์นะแต่ถ้าเราไปสวรรค์ น, นี่ เราจะไม่ต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับร่างกายเพราะขณะที่เราอยู่ในสวรรค์นี้เราไม่ต้องใช้ร่างกายเราใช้บุญที่เราทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ในละมิรสถานที่ต่างๆให้เราได้สได้สัมผัสได้เที่ยวได้ชมได้ดื่มได้กินได้รับประทานอะไรต่างๆนี่คืออา น, นิสงส์งของการทำบุญอย่ารีบกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยถ้ายังไม่จาเป็น ไปอยู่ในสวรรค์ก่อนดีกว่าไปเที่ยวก่อนไปเที่ยวก่อนที่จะกลับมาเป็นมนุษย์ต้องมาทำงานมาดิ้นรนต่อสู้กับการเลี้ยงชีพของตนเองแต่ถ้ายังไม่สามารถที่จะหยุดการกลับมาเกิดได้ก็อย่างน้อยก็เวลาตายไปก็ให้ไปพักผ่อนย่อนใจในสวรรค์ก่อนด้วยการทำบุญอยู่เรื่อยๆในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ เรามีข้าวของเงินทองที่เหลือกินเหลือใช้ก็อย่าไปหวงเก็บมาไว้เลยตายไปเราก็เอาไปไม่ได้เก็บไว้เท่าที่จําเป็นถึงแด้ที่จําเป็นต่อาการเลี้ยงชีพของเราเราก็เก็บเอาไว้และถ้ามีส่วนเหลือเราก็เอาไปบริจาคเอาไปทําบุญทําทานเอาไปช่วยคนนั่นคนนี้ช่วยชนิดนั้นชนิดนี้ทําความดีต่างๆแล้วเราจะได้สะสมบุญสะสมความสุข อยู่ในใจเรามากๆพอเวลาร่างกายตายไปเราก็จะได้ไปอยู่ในสวรรค์ก่อนจนกว่าบุญที่เราได้สะสมไว้ในใจมันหมดลงหมดกําลังลงไม่สามารถให้ความสุขกับเราไม่สามารถให้เราอยู่ในสวรรค์ต่อไปได้เราค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่เราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ถ้าเรายัางไม่สามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้เราหมดสิ้นไปได้แต่อย่างน้อยเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดในทุกข์ในสุคติถ้าเราทำบุญไม่ทำบาปตายไปก็ไปเป็นเทวดาไปอยู่ในสวนรรค์พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีบุญบารมีติดตัวมา จะเป็นมนุษย์ที่มีฐานะการเงินการทองที่ดีมีรูปร่างรรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมีผิวพรรณที่ผ่องใส ม, มีอาการครบสามสิบสองมีอายุยืนยาวนานมีสุขภาพแข็งแรงเป็นต้นอันนี้เป็นผลของบุญที่จะพาให้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีบุญ ม, มีบุญบารามี ในทางตรงกันข้ามถ้าเราทำบาปแล้วไปเกิดในอบายเวลาเราออกมาจากอบายเราจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่อาภัพวาสนาบารมีไม่มีบุญบารมีติดตัวมามีแต่บาปติดตัวมาจะทำให้เราเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามมีอาการไม่ครบสามสิบสองมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอายุสั้น ยากจนลำบากยากจนเป็นต้นอันนี้เป็นส่วนของการกระทำบาปในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในชาติก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะรับกับผลบาปเราก็อย่าทำบาปกันถ้าเราอยากจะได้อา น, นิสงส์งของการทำบุญก็พยายามขยันทำบุญกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราคิดว่า การมาเกิดในสุกติก็ยังเป็นความทุกข์อยู่เพราะเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายอยู่ดีแล้วก็ต้องเจอกับภัยต่างๆที่จะมาคอยคุกคามชีวิตของพวกเราภัยจากธรรมชาติบ้างภัยจากอุบัติภัยบ้างภัยจากโรคเชื้อโรคบ้างภัยจากสัตว์ร้ายบ้างภัยจากมนุษย์ที่โหดร้ายทารุณบ้าง การมาเกิดเป็นมนุษย์นี้จึงถือว่าเป็นทุกข์มีภัยรอบด้านมีความทุกข์รอบด้านรอเราอยู่ถ้าไม่อยากจะให้เจอกับความทุกข์เลยทางที่ดีที่สุดก็คืออยากลับมาเกิดดีกว่า mm hmm. การที่จะไม่กลับมาเกิดได้นี้เราก็จาเป็นที่จะต้องไปอยู่แบบนักบวช ก็ เ, เป็นวิธีที่จะทําให้เรานี้สามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆได้หมดสิ้นไปจากใจ mm hmm. คือเราต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่เป็นเครื่องมือในการที่จะมาหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้ศีล mm hmm. ก็ต้องเป็นศีลระดับของนักบวชคือศีลแปดขึ้นไปเพราะว่าการที่เราจะ หยุดความอยากได้นี้เราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขเราเคยหาความสุขจากการทำตามความอยากจะรูปเสียงกลิ่นลดผลทพ้ทาพอเรามาถึงศินแปนี้เราก็จะห้ามใจเราให้เลิกหรือให้หยุดชั่วคราวไม่ให้เราไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดผลทพ้ทากันแล้วก็ มาฝึกสตินั่งสมาธิเพื่อมาหยุดความอยากหยุดความคิดหยุดความอยากทำใจให้นิ่งความอยากความคิดก็จะหยุดแต่ยังไม่ตายจะหยุดแบบชั่วคราวแล้วถ้าเราอยากจะให้มันตายอย่างถาวรเราก็ต้องเอาปัญญามาสอนใจสอนให้ใจเห็นว่าสิ่งความสุขที่ได้จากความอยากนั้นเป็นความสุขแบบชั่วคราวเพราะสิ่งที่ทางให้ความสุข คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่มันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอมันหมดไปความสุขก็จางหายไปความทุกข์ก็กลับเข้ามาแทนที่ใหม่ถ้าไม่อยากจะได้ความทุกข์จากการสูญเสียความสุขก็อย่าไปอยากได้ความสุขเหล่านี้ให้อยู่เฉยๆทำใจให้นิ่งเฉยๆถ้า ห, หยุดความอยากได้ ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากในใจก็จะหายไปแล้วความสุขความสงบของใจก็จะกลับคืนมาอีกทีอันนี้เป็นขั้นของปัญญาต้องเห็นโทษเห็นสิ่งที่อยากได้ว่าเป็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดมันเป็นความสุขแบบชั่วคราวที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไป ถ้าเราทำสามขั้นนี้ได้คือศีลสมาธิปัญญาได้<ม>เราก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้<ม>ในเบื้องต้นเราก็ถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะไปบวชเราก็ควรจะหาวันเวลาว่างสักหนึ่งวันต่ออาทิตย์<ม>วันที่เราเรียกว่าวันพระนี้พระพุทธเจ้าทรงกำหนดวันพระขึ้นมาให สาธุชนพุทธบริษัทให้มีเวลาให้มากับการปฏิบัติธรรมเพื่อหยุดความอยากต่างๆเอามาเป็นนักบวชแบบชั่วคราวบวชหนึ่งวันกับหนึ่งคืนมาถือศีลแปดซึ่งเป็นศีลของนักบวชนักบวชจะไม่เสกกรรมนั่นเองศีลแก็จะห้ามไม่ให้เสกกรรมไม่ให้ร่วมหลับนอนกับแฟนของตนไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยาก และเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็ไม่ให้หาความสุขกับจากการดูมหัสสบพบันเทิงต่างๆไม่ให้หาความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายแล้วก็ไม่ให้นอนมากเกินไปให้นอนบนพื้นแข็งๆจะได้นอนไม่มากถ้านอนบนฟูกหนาะเตียงที่มีฟูกหนามันจะสุขจะสบายแล้วมันจะนอนมากเกินไปจะทำให้เสียเวลา ที่มีค่าที่ยำเป็นจะต้องเอามาใช้กับการมาฝึกสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้ใจให้สงบรวมเป็นสมาธิขึ้นมาให้ได้ถ้าเรามีเวลาให้กับการจเจริญสตินั่งสมาธิอย่างน้อยก็หนึ่งวันกับหนึ่งคืนเราก็จะสามารถที่จะทำให้ใจเข้าสู่สมาธิได้แต่ถ้าเรามาฝึกสติฝึกสมาธิวันละแค่สิบห้านาที สาบนาทีนี่มันยังไม่พอเพียงกับการที่จะมาหยุดความอยากได้ไม่สามารถที่จะทำใจให้รวมเป็นสมาธิได้แต่อย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองการปฏิบัติก็ต้องมีการจุดเริ่มต้นจยุดเริ่มต้นก็คือต้องมีการเจริญสติมีการนั่งสมาธิบางคนก็เริ่มต้นที่ห้านาทีก่อนสิบนาทีก่อนสิบห้านาทีก่อนค่อยขยับไปบางคนก็เริ่ม นั่งมากขึ้นเจริญสติมากขึ้นทั้งเดินทั้งเดินเจริญสติทั้งนั่งสมาธิสลับกันไปมาจนกระทั่งเริ่มสัมผัสเกี่ยวับความสงบและเห็นคุณค่าของความสงบว่าเป็นความสุขเหนือกว่ า, ว า, วาความสุขทั้งปวงเป็นความสุขที่ดีก ว, กว่าความสุขที่ได้จากการเสพลูกเสียงกลิ่นรสผดทพะทะชนิด ต, ต่างๆถ้าลองได้เข้าสมาธิได้แล้วนี่ ความยินดีในรูปเสียงกิรลดนี้จะลดน้อยถอยลงไปแต่ยังไม่หมดมันจะหายไปตอนที่เราอยู่ในสมาธิตอนนั้นไม่สนใจกับการหาความสุขจากรูปเสียงกิรลเลยแต่เวลาออกจากสมาธิมาความสุขที่ได้จากสมาธิมันก็จะค่อยๆจางหายไปความอยากที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกิรลดผลสพก็ยังจะกลับมาได้อยู่ถ้าเราต้องการที่จะกาจัด ความอยากที่มันมาหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาถ้ามันเกิดความอยากขึ้นมาแล้วเราอยากจะให้มันหายไปอย่างถาวรเราก็ต้องสอนใจว่าความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นเหมือนความอยากอยากในยาเสพติดรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นเหมือนยาเสพติดเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอและเวลาที่ไม่ได้เสพก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ต้องพิจารณาเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัพนนี้เป็นตายรักเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเหมือนยาเสพติดที่ถ้าเราไปเสพแล้วมันจะติดและเวลาไม่ได้เสพแล้วมันจะทุกข์อันนี้การใช้ปัญญาเป็นขั้นสุดท้ายของการที่เราจะกำจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจในการปฏิบัติธรรมนี้จึงมีการ ห้ามความอยากหยุดความอยากและกำจัดความอยากเป็นสามขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเราห้ามความอยากด้วยการรักษาสินแปดเราเคยเคยอยากร่วมหลับนอนกับแฟนพอเรามาถือสินแปแล้วก็ร่วมหลับนอนกับแฟนไม่ได้เราเคยอยากกินอาหารตามความอยากกินกี่ครั้งกี่เวลาก็ได้พอเรามาถือสินแปดเราก็กินไม่ได้หลังจากเที่ยงวันไปแล้วอยากไม่ได้ห้ามความอยากด้วยการรักษาศิน แล้วก็มาหยุดความอยากด้วยการจเจริญสตินั่งสมาธิเวลาเรามีสติอย่างต่อเนื่องเราจะสามารถหยุดความคิดได้ถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดความอยากได้เพราะความอยากมันต้องใช้ความคิดเป็นเครื่องมือเราต้องคิดถึงอาหารก่อนแล้วเราถึงจะเกิดความอยากขึ้นมาเราต้องคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสก่อนแล้วเราถึงจะเกิดความอยากที่จะเสพรูปเสียงกดลิ่นรสขึ้นมา แต่ถ้าเราสามารถคุมความคิดได้ไม่ให้คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสหรือให้หยุดความคิดเลยความอยากก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ความอยากก็จะหยุดไปแบบชั่วคราวเราใช้สมาธิหยุดความอยากแบบชั่วคราวแล้วเราก็ใช้ปัญญากำจัดความอยากอ ย, ากอย่างถาวรกำจัดด้วยความจรงิงด้วยเหตุผลเหตุผลก็คือเราต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากนั้นมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนยาเสพติด เสพเท่าไรก็ไม่อิ่มไม่พอแลวเวลาไม่ได้เสพมันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์ใจเราก็อย่าไปติดอย่าไปเสพ ร, รูปเสียงกินรสต่างๆอันนี้เป็นวิธีการที่เราจะสามารถหยุดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ขั้นต้นเราก็มาหยุดความอยากที่จะเสพกามก่อนเสพ ร, รูปเสียงกินรสเรา เมื่อเราหยุดได้เราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดในกามาพบการมาพบก็คือพบของผู้ที่ยังติดอยู่กับการเสพกามอยู่เสพรูปเสียง ก, กลิ่นรสอยู่การมาพบก็คือพบของเทวดาของมนุษย์ของเดรัจฉานของเปรตอสุลกายและสัตว์นรกนี่สัตว์เหล่านี้ยังติดอยู่ในการเสพกามอยู่ตายไปก็จะกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆเกิดในกามาพบอยู่เรื่อยๆก็อยู่กับบุญกับบาป ทำบาปก็ไปเกิดในอบายถ้าทำบุญก็ไปเกิดในสวรรค์หลังจากหมดบุญหมดบาปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาสร้างบุญสร้างบาปใหม่มาเสพมาเสพการใหม่ก็จะวนเว้นไหว้ตายเกิดอย่างนี้ไปไเรื่อย mm hmm. แต่นอกจากการมาพบแล้วยังมีพบอีกสองพบที่สัตว์โลกยังจะติด mm hmm. เวียนไหว้ตายเกิดอยู่ mm hmm. ก็คือรูประพบกับรูประพบเนี่ย รูปประพบก็คือพบของผู้ที่เสบรูปประชานได้ผู้ที่เข้าสมาธิในร ะ, ระดับรูปประชานได้ก็จะไปติดความสุขของรูปประชานถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดในรูปประพบก็ต้องตัดความอยากที่จะไปเสบรูปประชานด้วยการพิจารณาว่ารูปประชานก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเป็นเหมือนยาเสพติดเหมือนกันถ้าเสพแล้วก็จะติดเวลาไม่ได้เสพก็จะทุกข์ได้ เช่นเดียวกับอรูปภพก็คือผู้ที่ภพของผู้ที่ได้อรูปประชานผู้ที่ได้รูปประชานเมื่อตายไปดวงวิญญาณก็จะไปอยู่ในอรูปภพภพของรูปอรูปประพมเป็นภพที่ละเอียดที่สุดที่มีความสุขมากที่สุดแต่ก็ยังเป็นภพของของตายลักอยู่ยังเป็นของชั่วคราวอยู่จะทําให้ต้องกลับมาเกิดใหม่เรื่อย พ อ, อบุญที่ส่งไปอยู่ในรูประภพหรืออรูประภพเสื่อมไปหมดไปใจก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ยแต่เวลาลกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่มาเสกการมเหมือนคนอื่นจะมาเกิดเป็นจะมาเป็นนักบวชกันเพราะเคยเข้าสมาธิได้เข้ารูปปัจจานได้เข้าอรูปปัจจานได้พวกนี้ก็จะไม่สนใจกับการเสกการมไม่สนใจกับการมีครอบครัวไม่สนใจกับการมีแฟนไม่สนใจกับการ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจะชอบไปหาที่สงบสงัดอยู่ตามนำพังแล้วก็เข้าสมาธิไปแต่ก็ยังเป็นการติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าไม่อยากจะติดไม่ต้องกลับมาเกิดในตายพบคือไม่เกิดในการมาพบรูปรพบเือรูปรพบนี้ก็ต้องหยุดความอยากเสบรูปประชานและความอยากจะเสบแรูปประชานพิจารณาว่าเป็นตายลักเหมือนกับกามาสุขเหมือนกับรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะ ถ้ามีปัญญาเห็นว่าเป็นตายลักก็จะหยุดการเสพได้หยุดความอยากที่จะเสพได้พอไม่มีความอยากอะไรเหลือเหลืออยู่ในใจใจก็เป็นนิพพานขึ้นมาใจก็เป็นความสงบที่ยิ่งใหญ่ที่ถาวพรพะตัวที่มาสร้างความทุกข์นั้นถูกกำจัดหมดไปด้วยปัญญาการมาตัณหาก็ถูกกำจัดไปรูปราคะความอยากเสพลูประชานก็ถูกกำจัดไปอรูปราคะ ความอยากจะเสพอารูร ป, ประชานก็จะถูกกัดกำจัดไปหมดด้วยปัญญาพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจแล้วใจก็จะไม่มีอะไรพาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่แหละคือเรื่องใจของพวกเราเรื่องส่วนประกอบชีวิตของพวกเราส่วนที่สำคัญก็คือใจส่วนที่ไม่สำคัญก็คือร่างกายร่างกายเป็นของชั่วคราว เราได้มาแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลามันก็ต้องแก่เจ็บตายไปแต่ใจของเรานี้ไม่ได้แก่เจ็บตายไปด้วยใจของเราก็ยังต้องไปเกิดใหม่ถ้าเรายังไม่ได้กาจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจเราจะจัดกจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้เราก็ต้องมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นผู้สัง่งผู้สอนเราเท่านั้นถ้าไม่มีเราก็ยังจะต้อง ไปแสวงหาความสุขตามความอยากของเราอยู่ต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นการที่เราได้มาเกิดในภพนี้ชาตินี้ได้มาเจอกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังถือว่าเป็นโอกาสอันวิเศษที่เราจะได้เรียนรู้วิธียุติความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดและนำาอาไปปฏิบัติเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เหมือนกับสาวกของพระพุทธเจ้าะ้าหานสาวก ที่ตอนต้นก็เป็นเหมือนพวกเราเป็นคาราวาสเป็นผู้คลองเรือนแต่พอได้ยินได้ฟังธรรมก็น้อมนํามาไปปฏิบัติตอนต้นก็ปฏิบัติตะในวันพระก่อนอาทิตย์ละครั้งก่อนพอปฏิบัติแล้วได้ผลขึ้นมาได้ผลดีก็อยากจะปฏิบัติเพิ่มขึ้นไปก็อาจจะเพิ่มวันปฏิบัติจากอาทิตย์ละวันเป็นสองวันสามวันไปจนในที่สุดก็อยากจะไปบวชพอได้ไปบวชก็ได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่พอได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ ความอยากต่างๆที่ม่อยู่ในใจก็จะถูกกำจัดไปให้หมดสิ้นไปได้ดังนั้นของพวกเราจงอย่าปล่อยโอกาสอันดีงามของการได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาเรียนรู้พระธรรมคำสอนวิธีการดับความทุกข์วิธีการหยุดกาเรเวียนว่ายตายเกิดนี้ให้เราอาน้อมเอาไปปฏิบัติและเราก็จะได้รับผลอย่างที่ผู้เขาได้รับกัน ปาหลนตสาวกทั้งหลายท่านก็น้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้ววิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะตามมาการแสดงสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาเรวาหาปุรปาปริปุรเรนติสัคลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตางนังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะรัโสยถามณิโชติรัโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโลกวินสตุ มาเตผวตะวันตารายุสุขีทีขายุโกาวะอภพิวะธนสีลิษะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรมมวัทานเตอายุวันโอสุขังพลาลัง <Amen. S 1> ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากเลิกแล้วจะไม่สามารถที่จะตอบคำถามได้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กราบเรียนครับพระอาจารย์วันนี้มีผู้ติตมมดาานน ต, ตามทางเฟซบุ๊พระอาจารย์สุชาติสามร้อยสี่สิบเจ็ดท่าน ทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติ391ท่านทาง YouTube ดรวี41ท่านทางวิทยุออนไลน์6ท่าน Clubhouse 7ท่านผู้รฟังหนากุติ115ท่านรวมทั้งหมด907ท่านครับ Yeah any question I would you like to ask any question I'll send you the microphone first. Um, Speak closer the microphone. Yeah, greeting t a n j a n I'm um, I'm not sure if I catch the meaning you say just now. Um, for for people like, let's say meditate for fifteen minutes, um, a day even is better than nothing. Well, you have to start somewhere, right? Yeah. That's what I mean, but. But 15 minutes is not sufficient. But mm. It's a good start, okay. but you have to move until you practice all day and all night. Except, that is the final goal. Yeah, yes. except when you go to sleep. Okay. Okay. Yeah. But you have to start. They say that a trip of 1,000 starts with one step. Yeah. Okay. Okay. Okay. A trip to one Nirvana starts with five minutes of meditation. Mm. Hmm. But it doesn't mean you stay with five minutes for the rest of your life. <laughs> yes. You have to add on, add on, increasing, increasing, until you become a monk like me. <laughs> yes. Yeah. Okay. Uh, okay. Thank, thank you, Tanjan. <laughs> uh -huh. Did you understand Thai also? w don't translate. Oh, you have a translator. <laughs> <laughs> oh, very good. Yeah. But yeah, you, yeah. you you got most of what I said in yeah, the town. Yeah, it's actually pretty good. <laughs> yeah. Okay, great. I think we got seventy percent of it. Yeah, yeah. all r t right. What kind of translator is that? It's Google just Google a Google translate. translate. I see. Yeah, they just pick up the voice. Yeah, t r a n s l a t e it Yeah. Yes. In real time. Huh? Yeah, real time. Okay. g o d Very good. Yeah. Thank Thanks to technology. <laughs> <laughs> <laughs> yeah. Thank you, Tanjan. <laughs> Is it also can you say with in text also? Or? Yeah, yeah, text. Text? Yeah, yeah it's text. Yeah. Oh, you you read the text when you listen. Uh, is it yeah. uh, audio? I uh, n o no audio. No just audio, text. Yeah. e okay. <laughs> Like closed caption. Yes. Yes. Okay. Yeah. So it's uh, very helpful, and Good. it's a wonderful d h a m m a talk. a <laughs> okay. y y e yeah, Sadhu. Sadhu. Sadhu. <Thank> you. กระับนิมิตการพระอาจารย์ต่หค่ะมีคําถามเข้ามาว่าเวลาเข้าสมาธิแบบอานาปนาสติในตอนกลางคืนมักจะเห็นภาพข้างหน้าเป็นภาพใสๆทั้งที่เราหลับตาทําให้สงสัยในภาพที่เห็นจึงลืมตาทําให้ออกจากสมาธิ แต่พอลืมตามก็มืดภาพก็ไม่ได้แจ่มใสอย่างที่ตอนหลับตานั่งสมาธิมันเกิดจากอะไรคะหรือว่าเป็นภาพที่ทำให้เราหลอกให้เราออกจากสมาธินั่นแหละเป็นภาพหลอกภาพหลอนเป็นมายาอย่าไปสนใจให้อยู่กับลมหายใจถ้าเราดูลมหายใจให้อยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวอะไรมาปรากนให้รับรู้ก็อย่าไปตามรู้เพราะตามรู้เราก็จะเสียสมาธิเราจะเข้าสมาธิไม่ได้ อย่าไปสนใจทุกอย่างที่ปรากฏในใจเราเป็นของหลอกทั้งเป็นอนิจังทุกขังอนัตตาเจ้ค่ะจักคุณเณนนี่เวลานั่งสมาธิแล้วเกิดความเจ็บปวดทางร่างกายเราต้องต่อสู้กับกิเลสที่อยากจะเปลี่ยนอิริยาบถหรืออยากออกจากสมาธิได้อย่างไรบ้างคะพยายามอยู่กับพุทโธแต่สุดท้ายก็สู้ไม่ได้ยังรู้สึกทรมานกับความเจ็บนั้นอยู่คะ่ะ ต้องฝึกพุทโธให้มากๆขึ้นก่อนที่จะมานั่งในต้องพยายามฝึกพุทโธไปทั้งวันเลยถ้าเรามีพุทโธมากๆากในเวลาเจ็บเราก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวเดียวความเจ็บก็จะหายไปหรือถ้ามันไม่หายใจเราก็สงบไม่เดือดร้อนกับการเจ็บฉั้นต้องพยายามฝึกพุทโธให้บ่อย ๆ, ใ ห, อยๆให้มากๆก่อนที่เราจะมานั่งถ้าจะมาฝึกตอนที่เรานั่งก็เหมือนนักมวยไม่ซ้อมไม่ซ้อมำชกเลยจะมาซ้อมดันขึ้นเวทีพอขึ้นเวทีก็ถูกคนนอกทั้ง ต้องซ้อมบ่อยๆซ้อมให้ชํานาญก่อนพอเราขึ้นเวทีจะคู่ต่อสู้เราก็จะได้ใช้สิ่งที่เรามาซ้อมได้นั้นต้องพยายามฝึกพุทธโอยู่เรื่อยๆไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เราจะนั่งเพลงอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นมันจะไม่พอสู้กับกีเิย์ไม่ไหวใชค่ค่ะจากคุณวรกัญญาถามเข้ามาว่ากราบศาสต์ชูนัมัชการพระอาจารย์ แล้วปุถุชนที่ต้องทําอาชีพผ่าเลี้ยงตนอยู่ในภาวะรักโลภโกรธหลงมีความอยากการเป็นพระโสดาบันในคาราวะการปฏิบัติต้องทําอย่างไรคะการหลีกหนีจากหน้าที่ที่ต้องทําภาวะความเป็นแม่ยังไปเป็นนักบวชไม่ได้กราบสาธุค่ะถ้ายังไปบวชไม่ได้ก็อย่าไปหวังเป็นโสดาเลยเอาให้เป็นเทวดาก็พอ ทำบุญทำทานอย่าทำบาปรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนพอเป็นเทวดาแล้วค่อยไปฝึกสตินั่งสมาธิไปเป็นพรหมต่อจากพรหมแล้วถึงจะไปเป็นพระสวดาบันได้ไปเจริญปัญญาพิจารณาละความอยากต่างๆให้ได้คำถามจากยูทูปพระอาจารย์หลวงปู่ครับพระโสดาบันประเภทเอกพีชี เป็นพระโสดาบันพิเศษกว่าพระโสดาบันทั่วไปอย่างไรครับผมไม่ต้องสนใจขอให้มันเป็นเถิดเป็นอย่างไรก็ได้เจ้าค่ะจากย t u b e พระอาจารย์นักล่าสมบัติที่งมหาสมบัติตามแม่น้าแล้วนำไปขายถือว่าผิดศีลข้อสองไหมครับมันก็เป็นของของคนอื่นไม่ใช่เลยไม่ใช่เป็นของเรา เพแต่ว่าทางโลกก็ถือว่ามันเป็นของใครหาได้ก็ถือว่าเป็นของคนนั้นไปเพราะเจ้าของเขาก็เหมือนกับเขาเสียสละไปแล้วเขาไม่เขาตายไปแล้วมันก็เลยไม่เป็นเจ้าของไปดังนั้นถ้ามองทางโลกมันก็ยังเป็นมันก็ไม่มันก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ได้ไปลักขโมยทรัพย์ของใครนอกจากว่าถ้าเจ้าของเขายังอยู่เขาแจ้งความไว้ว่าของหาย จบอยู่ในแม่น้ำนี่แล้วใครไปงมขึ้นมาเอาไปมันก็ยังถือว่าเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปอยู่เช้าค่ะคำถามจากเฟ e บุ๊กกราบสอบถามพระอาจารย์ค่ะระหว่างปริมาณบุญบาปที่ได้กระทำสะสมตอนมีชีวิตอยู่หรือจิตสุดท้ายก่อนตายสิ่งใดสำคัญที่สุดที่จะเป็นตัวชี้วัดที่ไปของจิตหลังจากความตายก็ไหนมันมากกว่ากัน สร้างจิตสุดท้ายให้มีบุญเป็นผ้ า, าหารได้ก็อันนั้นก็จิตสุดท้ายนันก็มันก็จะมีกำลังมากกว่าแต่อย่าไปหวังเลยถ้ายังไม่ตายยังทำไม่ได้เวลาจะตายไม่มีกระจิกกระใจจะม า, ส ร, าสร้างบุญสร้างบส่วนนะเช้าค่ะจากคุณอาทิตย์จากคุณสัตว์อาทิตย์ค่ะถ้าเราได้ไปเกิดในอบียบาในอบายหรือไปเกิดบนสวรรค์ เราจะมีร่างกายที่จะต้องมารับรูปเสียงกลิ่นรสแบบมนุษย์ใหม่คับมีร่างกายทิพย์ไงใจเป็นกายทิพย์กายก็จะเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ได้เหมือนตอนที่เรานอนหลับนีเวลาเรานอ น, น, อ น, น, อนหลับใจเราก็ไปเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์ในรูปแบบของความฝันต่างๆฝันว่าเราไปเที่ยวที่นั่นไปกินไปเดินไปดูไปฟังอะไรหรือฝันไายก็ว่าฝันไปถูกเขาจะไล่ฆ่าไล่ตีไล่ฟันนี้ ก็ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปเวลาที่เรานอนหลับนี่บุญกับบาปจะมาแสดงผลชั่วข้าวเป็นหนังตัวอย่างให้เรารู้ว่าเวลาตายไปจริงๆจะเป็นยังไงความฝันนี่แหละเป็นโลกทิพย์ขณะที่เราอยูใ่ในความฝันนี่เราอยู่ในโลกทิพย์เราไม่ได้ใช้ร่างกายเราใช้กายทิพย์เกิดใจเซ้าค่ะจาก Facebook เวลาเกิดความวิตกกังวลกลัวเมื่อร่างกายมีอาการทาไมจึงควบคุม จิตไม่ได้รู้สึกทรมานใจต้องทําอย่างไรจึงเลิกกลัวเพราะไม่มีสติเครื่องเครื่องควบคุมใจเราไม่ได้สร้างมันขึ้นมาเหมือนรถยนต์ที่ไม่มีเบรกพอถึงเวลาจะเบรกมันก็เบรกไม่ได้อยู่รถไม่ได้แต่ถ้าเราไปติดเบรกไว้ก่อนเวลาเราขับรถไปไหนมาไหนพอเราจะหยุดรถเราก็เหยียบเบรกได้เบรกของเราก็คือสติเบรกของใจก็คือสติเอนนี้ใจเราไม่ค่อยมีสติไม่ค่อยมีเบรก พอมีเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมามีเหตุการณ์กระทันหันขึ้นมาเบรไม่ได้มีบ้างแต่เล็กน้อยแต่ไม่พอที่จะหยุดเหตุการณ์ที่ที่รุนแรงได้แต่ถ้าเราฝึกสติบ่อยๆฝึกเรื่อยๆฝึกทั้งวันมีจนเป็นสัมปชัญญะเราก็จะสามารถที่จะหยุดเหตุการณ์ต่างๆได้กระทันหันปุ๊บปั๊บขึ้นมาแล้วก็หยุดมันได้ทันทีเจ้าค่ะจาก facebook ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมและดูแลคุณแม่ที่ทำตัวโทสิกอย่างรุนแรงมากแพทย์บอกว่าเป็นการป่วยทางจิตประสาทร่วมกับนิสัยพื้นฐานของท่านและท่านชอบพูดดินทาใส่ร้ายลูกๆในครอบครัวที่ดูแลในทางลบให้บุคคลอื่นฟังในทางผิดเสียหายและมักจะหาเรื่องทะเลาะกับลูกๆในบ้านเสมอไม่สามารถบอกเตือนสิ่งใดได้ จนตอนนี้ไม่มีใครอยากยุ่งเกี่ยวด้วยเจอสถานการณ์เช่นนี้ควรต้องทําใจอย่างไรคะเพราะที่ผ่านมาในานาแห่งความกตัญญูที่ทำหน้าที่ดูแลท่านอย่างดีถึงแม้ต้องรับแรงการแทรกอย่างหนักให้ถึงพร้อมบริบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่และปัจจัยเสริมความสุขต่างๆแต่ตอนนี้ตนเองและลูกๆทุกคนก็เครียดมากๆและทุกข์ใจอยู่ร่วมกันเหมือนคนแปลกหน้า เหมือนเป็นศัตรูกรันความดีที่ทุกคนทำให้ท่านมาเหมือนไม่เกิดผลด้านบวกต่อจิตใจท่านเลยขอคำแนะนำนำกุศลนำกุศโลบายในการวางตัวและวางใจให้ตนเองไม่ต้องทุกข์มากและไม่ผิดบาปในฐนานะลูกที่มีต่อท่านค่ะเพาเราอยากให้แม่เรียบร้อยทําตามใจเราพอท่านไม่ทาเราก็เลยโกรธเราก็เลยเสียใจอย่าไปหวังอะไรจากแม่นะ แม่เขาจะมีกิริยาการยังไงปล่อยให้เขาเป็นไปหน้าที่ของเราไม่ได้มาควบคุมกิริยาการของแม่หน้าที่ของเรามีหน้าที่รับใช้แม่เลี้ยงดูร่างกายของแม่แม่ขาดอาหารก็หาอาหารมาให้แม่กินแม่อาบน้ำไม่ได้เราก็ช่วยแม่อาบน้ำแต่เราจะไปบังคับให้ท่านเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีอารมณ์ดีอะไรอย่างนี้เพราะว่า มันต้องเห็นใจท่านอ่ะคนแก่คนเจ็บมันจะมีอารมณ์ดีได้อย่างไรส่วนใหญ่มันก็อารมณ์จะบูดเบี้ยวเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นความท้อแท้เบื่อหน่ายของเราเกิดจากความอยากของเราอยากให้แม่เขาเรียบร้อยทําเหมือนกับเป็นผ้าพับสวยงามแล้วบอกให้แม่กินก็แม่ก็กินบอกให้แม่อาบน้ําก็อาบน้ําบอกให้แม่เฉยเฉยก็เฉยเฉย พอเราไม่สามารถทำให้แม่เป็นไปตามความอยากของเราได้เราก็เลยเกิดความเครียดเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแเราต้องยอมรับว่าแม่เขาเป็นอย่างนี้ mm hmm. ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะมาเปลี่ยนเขา mm hmm. หน้าที่ของเรามาเลี้ยงดูเขามารับใช้เขาเท mm hmm. านั้นเองแล้วส่วนตัวอารมณ์เขาเขาจะบูดจะเบี้ยวเขาจะอะไรขเขาปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขา mm hmm. ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้แล้วเราก็จะอยู่กับเขาได้ทาอะไรให้กับเขาได้ คำถามต่อไปจากเฟร็ดบุคค่ะการที่เราซื้อเครื่องดูงห่มร่างกายที่ดูธรรมดาเรียบง่ายแต่มีราคาแพงๆโดยไม่ได้ทำให้ตนเองหรือใครเดือดร้อนเพราะตนเองมีปัจจัยเพียงพอถือว่าเป็นเครื่องเสริมกิเลสแห่งใจหรือไม่เจ้าคะมีเครื่องเสริมกิเลสหรือไม่เนี่ยังไงนะคะอะไรกิเลสเนะ เป็นเหมือนว่าเขามีกําลังซัพ์พอที่จะซื้อเครื่องนุ่งห่มแบบเรียบเรียบง่ายแต่ว่าราคาแพงถือว่าเป็นเครื่องเสริมกิเลสแห่งใจของเขาหรือเปล่าต่อมาณเนี้ยค่ะมันก็กิเลสคือการมาฉันทามันก็คงจะมีอยากจะได้ของสวยๆเงางา ม, งามของแพงๆอันนี้ก็เป็นกิเลส ถ้าไม่ไม่ไม่เป็นกิเลสก็ไปหาผ้าที่เขาทิ้งในในป่าช้ามาซักมาย้อมมาหม่มนี่ถึงจะไม่เป็นกิเลส mm hmm. พระเจ้าสอนให้พระใช้ผ้าจีวรที่เก็บมาจากป่าชา้าเก็บมาจากผ้าที่หอ่อศพมันก็จะมีน้ําเลือดน้ําเหลืองเปืเป้อนอยู่แล้ว เ, าเอามาซักเอามาย้อมแล้วเอามาตัดมาเย็บเป็นจีวรถ้าอย่างนี้เนี่ยกิเลสไม่ชอบกิเลสไม่ชอบของสวยของงาม ถ้าเรายังชอบของสวยของงามของดีอยู่นี่ถือว่ายังเป็นกิเลสอยู่เราจะใช้อะไรไปคำหนึงถึงความสวยงามให้คำหนึงถึงว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าก็พอถ้าใช้งานได้ก็ถือว่าโอเคถ้าหวัว่ามันใช้งานได้แต่ไม่สวยไม่ถูกใจเราเนี้แสดงว่าเป็นกิเลสนะสรับใช่ะจากคุณนาวินกราบเรียนพระอาจารย์ การใช้สติกำจัดความคิดแบบอัตโนมัติทําอย่างไรบ้างครับก็ต้องฝึกบ่อยๆถ้าฝึกบ่อยๆต่อไปมันก็เป็นอัตโนมัติเหมือนตอนต้นที่เราพิมพ์ดีเนียแล้วก็เราพิมพ์ไม่เป็นเราก็ต้องคอยจิ้มหาจิ้มไปก่อนพอจิ้มไปเรื่อยๆพิมไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเป็นอัตโนมัติไปถึงเวลาก็พิมพ์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องดูที่แป้นพิมพ์เสียเลยซ้ำไปการฝึกฝนอบรมนี่แหละจะทําให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติขึ้นมา สติปัญญาก็จะเป็นอัตโนมัติขึ้นมาหลวงตาท่านบอกสติปัญญาอัตโนมัติทํางานโดยที่ไม่ต้องไปสั่งมันพอถึงเวลามันรู้หน้าที่ของมันพอกิเลสมามันก็เข้าไปหยุดกิเลสทันทีเลยเจ้าค่ะจากคุณชันยุทธเลี้ยงไก่ไข่เราซื้ออาหารให้เขากินแล้วเราเอาไข่เขาไปกินถ้าเหลือกินก็ขายทําแบบนี้บาปไหมครับ ถ้ามันไม่มีตัวตัวในไข่ก็ไม่บาปแต่ก็ยังไม่ดีการที่เราไปหากินบนในในผลประโยชน์ของชีวิตของคนอื่นะก็แต่มันไม่บาปมันไม่ได้ไปทำให้เขาเดือดร้อนเสียหายแล้วไข่เขาก็ไม่ได้กินอยู่ดีไงไก่มันก็ไม่กินไข่แล้วก็เอาข้าวไปแลกกับมันก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันก็ใช้ได้ต่ทางที่ดีอย่าไปเลี้ยงสัตว์ดีกว่าไวให้สัตว์เาอยู่ตามธรรมชาติของเขาดีกว่า เพาการเลี้ยงก็ต้องจับเขาขังไว้ในในคอกในกรงเรามีใครอยากจะอยู่ในคอกในกรงบ้างถึงแม้เขาจะเลี้ยงเราอย่างดีแล้วก็อยากจะอยู่ตามอิสระภาพของเรางั้อย่าไปยุ่งกับชีวิตของคนอื่นอย่าไปกักขังเขาถึงแม้ว่าเขาจะน่ารักน่าดูน่าชมอะไรก็ตามนะปล่อยให้เขาอยู่ตามธร ร, ร, รมชาติไปเลี้ยงเขาได้แต่อย่าไปกักขังเขาถ้าเขาอยากจะอยู่ก็อยู่ถ้าเขาอยากจะไปเขาปล่อยเขาไป าจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะข้าน้อยเวลาเจอคนแปลกหน้ามาเบียดเบียนหรือคนมาเบียดเบียนใส่ร้ายราวีขณะทำงานสภาพโลกไทยในปัจจุบันและอนาคตจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเครียดมากและเบิร์นเอาท์หมดแพเช่นซึมเศร้ากระทบวิถีชีวิตและงานอื่นแต่พอฟังองค์หลวงตาและพระรหันต์อื่นเทศ คติและที่พระอาจารย์เมตตาเทพในไรทางเพศนี้ก็มีสติเกิดปัญญาเกิดกำลังใจฉับพลันเหมือนลมพัดก้อนเมฆดำยกอุปสรรคออกจากเส้นทางและหัวใจสมองเหมือนอยู่อีกภพที่มีแต่ความสุขความสว่างดีมีกำลังใจสติปัญญาสู้งานสู้ชีวิตต่อและอยากบรรพุธ ร, รมให้ได้ในชาตินี้ด้วยค่ะเช่นนี้คือสติปัญญาปนิสัย บารมีของข้าน้อยหนาหรือบางคะข้าน้อยควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปจึงสำฤิ์ผลทั้งงานชีวิตการบรรลุ ธ, ธรรมคะควรทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจว่าหนาหรือบางหรอกเพราะเราไม่มีเครื่องวัดขอให้เราทำไปเรื่อยๆจนกว่าอกิเลสความทุกข์ต่างๆมันหมดไปจากใจของเราชค่ะอย่างอย่างที่คนชอบไปปฏิบัติตธรรมอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ เขาจะต้องแบาบว่าต้องต้องมีมีปัจจัยที่ไม่ให้เขาลํา บ, บากเช่นต้องมีแอร์มีถนนหนทางนี้ต้องมีรถรับส่งแบบเนี้ยถือว่ายังยังไม่ได้ต้องการก็ยัง<ป>ท่านอนุบาลอยู่ออก็ยังดีอยู่อยู่กับไปเที่ยวอ่าคนที่จะไปเที่ยวก็ไปก็ปอยู่ตามวัดเนี่ยแต่ยังไม่อยากจะลําบากเพราะยังอินทรียยังอ่อนอยู่สู้ความความนี้ลบากไม่ได้ยังอยากจะสุขอยากจะสบายก็ต้อง ไปแบบอนุบาลเนะอนุบาลนี้จะมีพี่เลี้ยงคอยดูหาอาหารมาให้กินให้ดื่มถึงเวลาก็ให้นอนแต่พอเริ่มตัวขึ้นมีอินทรีย์เริ่มแก่กล้าขึ้นก็พอขึ้นปฐมเขาก็จะไม่มีละเราก็จะไม่มีบริการอย่างนี้ก็คือต้องฝึกอยู่ที่ที่มันลำบากเพื่อเราไม่ติดกับสุกใช่ไหมเจ้าคะถ้าทําได้ถ้ายังทําไม่ได้ก็อย่าเลิกเลยอย่าไม่ทําเลยทําไป เราพยายามสร้างกำลังใจสร้างกำลังสติให้มากขึ้นพอเรามีสติมากขึ้นเราก็จะสามารถควบคุมใจเราให้อยู่กับความทุกข์ยากลาบากได้มากขึ้นเจ้าค่ะมีคําถามจากทางเฟซบุ๊กเข้ามาเจ้าค่ะจากคุณนกขอเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะมีเพื่อนที่ไม่สบายใจและเครียดมากๆมาเล่าปัญหาชีวิตต่างๆให้หนูฟังทั้งวัน ก็พาทำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีเพื่อเพื่อนได้พูดระบายความไม่สบายใจทั้งวันแต่หลังจากนั้นเรื่องราวต่างๆก็ยังติดอยู่ในความคิดของหนูหนูก็พยายามไม่คิดเรื่องเหล่านั้นต่อพยายามที่จะฝึกสมาธิแต่จิตไม่นิ่งเจ้าเลยเจ้ า, าค่ะควรทาอย่างไรดีเจ้าขาใช้พุโทโธลบมันออกไปพอเราคิดถึงเรื่องของเพื่อนก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปอย่าปล่อยให้คิดถ้าอยู่กับพุโทโธไปสักระยะหนึงความคิดต่างๆก็จะหายไป เจ้าค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะคุณมีคำถามอี s ไหมครับสวีส t ภาพบุรุษลองพยายามสรุปสิ่ e ท a ่คุณได้พูดกั a นะครับคุณพูดถึง e ่างกายที่ปร m e n t ด้วยสี a ธา g e แล้ a สี่องค์ประกอบของจและเพราะเรา My happiness so will be useful for the pursuit of happiness. Yes, yeah. temporary. You m a microphone, can not hear you. Oh. Um, p a n a j a n I don't know Thai, but uh, I, just summarize in my mind that you talk about, uh, in the beginning about this body, uh, made o u t of four elements, and then we have the mind, um. Make out of four aggregates because we want to find happiness. Then we use the body to go and find happiness, but the happiness is temporary. I'm not sure if that is the correct. That's like, right. Yeah. Okay. And then, um, and then, um, because they are temporary, uh, then we suffer. So you advise us to. Look for something like um, like not using the body to find happiness as a happiness as a mm -hmm. source of happiness, mm -hmm. right? And then meditation, uh, meditation. Yes, meditation, and you don't need to have the body. You don't need to check to be your wife. You be your wife. <laughs> <laughs> <laughs> no. <laughs> yeah. Okay. Um. Yeah. And then um, I believe you also mentioned something about um. I'm not sure it's correct. Like, like doing dana and uh, keep preset. So it's better that, like you know, we have we cultivate a good uh, merit. So maybe we can go to heaven and come back again. So uh, in the case if you cannot yet practice meditation, yes, then you won't be able to stop birth, rebirth. Yeah. So you will come back. So you have a choice between. Going to heaven or going to hell when you die. Okay. If you want to go to heaven, then you do dana and keep the five precepts. Yes. Then you will go to heaven. But if you don't keep the five precepts, you don't do the dana, then you go to hell and yeah. come back and reborn as a human being yes. and continue on rebirth. So you have a choice of. Uh, Being born in heaven and and human, or being born in hell and h he and human. While while we still alive. You e still you e you yeah. still take rebirth. Yeah. But if you don't take rebirth, then if you can practice meditation and become a monk like me, then you can go to Nirvana, then you won't have to come back again, again and again. Yeah. yeah. So there are three choices. Go to heaven or go to hell or go to nirvana after you die. <laughs> not not hell. Okay, then keep the precept. <laughs> Be faithful to your wife. <laughs> yes. Okay. okay. Um, yes. Yes. Tanajan. So basically, this is the talk that I got yeah. from today. Oh, thank you, Tanajan. Sadhu, sadhu.